วาระอนุโลมบุคคลจากขุนทรียะมูลกะในสองรออนุจากขุนสีของบุคคลใดจกเกิดโสตินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินรียของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดจกเกิดคานินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจะบุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรียก็จะเกิดปฏิคานินรียของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดจกเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินศีก็จกเกิดปฏิอิทินศีของบุคคลใดจกเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดจะเกิดปุริศินศีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริศินสีไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและบริสินศีก็จะเกิดปฏิบุริสินศีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดจกเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินรีย์ของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดอนุจากขุนรีของบุคคลใดจกเกิดสมณสินทรียีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจากผัเกิดได้มีอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีของบุคคลใดจะเกิดผูเบขินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดมีจกักขกุเกิดได้มีโสมนัสจักรอุบัติและปรินิพานจากักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่อุเบกินศีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้จกักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและอุเบกินศีก็จะเกิดปฏิอุเบกินศีของบุคคลใดจกเกิดจักขุนศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพาน อุเปข um ินส us. well. ีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้อุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจากขุนสีก็จากเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดจากเกิดซาตินสีปันยินสีมณินสีของบุคคลนั้นก็จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินสีของบุคคลใดจากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานมนรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้มนรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนรีก็จะเกิดจากขุนธริยมูลกะในจบขานินธริยมูลกะในสองร้ออนุขานินรีของบุคคลใดจะกเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะ น, น, นั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินทซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทินซีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คานนนซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินซีก็จะเกิดปฏิอิทินซีของบุคคลใดจะเกิดคานินนซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อันุคานินทรีของบุคคลใดจะเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคาเนนจีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินจีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดจกเกิดคาเนนจีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่อนุคาเนนรีย์ของบุคคลใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดคาเนนรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมว<ล><า>ิบุคคลเหล่าใด จ, จกอุบัติในรูปาวจรภู ม, Hi ภมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพาน <term il ix> ชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาเนนรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ ชีวิตศีลรียของบุคคลเหล่าน oh. ั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุ้นคานินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดสมณศีลรี์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานคานินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมณศีลรียไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้คานินรียของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด แล้สมณัสินสีก็จกเกิดปฏิสมนัสินสีของบุคคลใดจกเกิดคาเนนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่คาเนนสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคาเนนสีก็จกเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดจกเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นสมนัิจากอุบัติแล้วปรินิพานคานินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดจะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาเนนสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินสีก็จะเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดจะเกิดสัททินสีปัญญินสีมนินสีของบุคคลเหล่านั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ม jar, wow. ah ื่อนรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคาินทรี์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานเมื่อนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มื่อนิจจ์ของบุคคลเหล่าน so ั้นจะเกิดและคาินทรี์ก็จะเกิดคาินทริยามูลกะในจบอิทินทริยามูลกะใน 283อนุอิทธินจีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานอิทธินจีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อิทธินจีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและปุริสินีก็จะเกิดปฏิ ปุริสินสีของบุคคลใดจะเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอป ฏ, ฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิจินสีก็จกเกิดอุอจินสีของบุคคลใดจกเกิด ชีวิตินทรีย์ของบุคคล น, คค น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดเธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินทรียีก็จะเกิดอนุอิทินทรีของบุคคลใดจะเกิดสมะสินทร์ีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแลวปริพานอิทินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมะสินทรสีไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้อิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมณสินรีก็จะเกิดปฏิสมณสินรีของบุคคลใดจะเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณัตจากอุบัติและปรินิพาน สมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินสีก็จะเกิดอนุอิอทินสีของบุคคลใดจะเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทีิเกิดได้เธอปฏิสนธิเนบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิเป็นสมนัจากอุบัติแล้วปรินิพาน อิทินซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อิทินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเบกินซีก็จะเกิดปฏิอุเบกินซีของบุคคลใดจะเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทินรีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินรีก็จะเกิดอนุอิอทินรีของบุคคลใดจกเกิดสัตทินรีย์ปัญญินรีมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มณินีสีของบุคคลใดจะเกิดอิทธินรียีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอ <S <S ปฏิสนธิในบางพบโ ด, ดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานมณินีสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินีสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มณีนียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด และอิทินรีขก็จะเกิดอิทินทริยมูลกะในจบปุริสินทริยมูลกะในสองร้อนุปุริสินรีย์ของบุคคลใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดปุริสินรีย์ของบุคลบคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานชีวิตจรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ Dad. ปุริสินีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตจรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและบริสินีก็จะเกิดอนุบริสินีของบุคคลใดจะเกิด สมณสิณสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสระเกิดได้เธอเอาปฏิสนธิในบางภพเรือภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วบริณิพานปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดปฏิ สมนณสิณสีของบุคคลใดจกเกิดปุริสิณสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใด จ, จกบุบัตในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิ่ในบางพบเดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจากอุบัติแล้วปรินิพานสมนณสิณสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่ปุริสิณสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดจะเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจับอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเบกินรีก็จกเกิดปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิฤเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพาน โอเบคินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อุเบคินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดจกเกิดสัตถินสีปันยินสีมณิณสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณิณสีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสิีสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนณีศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสิศีก็จะเกิดปุริศีธริยะมูลกะในจบ ชีวิตตินทรียามูลกะในสองอห้าอนุชีวิตติทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาฏิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตติทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตติณรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด และสมนณสินสีก็จกเกิดปฏิสมนณสินสีของบุคคลใดจกเกิดชีว er ิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตจินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดอุเบขินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจิมะจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่อุเบขินรียไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินรียก็จะเกิดปฏิอุเปกินรียของบุคคลใดจะเกิดชีวิตจินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตจินรียของบุคคลใดจะเกิดสัตว์จินรีปัญญินรียมนินซียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินซียของบุคคลใดจะเกิด ชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทรีย์มูลกะในจบสมนัสินทรีย์มูลกะในสองอปดสิบหอนุสมนสินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดโอเกคินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมนสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่อุเบกินรีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเบเกิบนรีก็จะเกิดปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดจะเกิดสมนัติสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจินมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมนัติสินสีไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้อุเปขินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมนัติสินซีก็จะเกิดอนุสมนัติสินซีของบุคคลใดจะเกิดสัตทินรีย์ปัญญินทรี์มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรียของบุคคลใดจะเกิดสมนัติสินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิโอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งคิดนั้นมนินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมณสินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้มนินรียของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดโซมณสินทริยมูลกะในจบอุเปขินทริยมูลกะในสองอยแปสเจอนุโอเปขินรีของบุคคลใดจกเกิด จัตถินรีย์ปัญญินรียมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดอุเบขินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธโดยสมมนัจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเบขินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรียของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด และอเุเบกินรีก็จะเกิดอุเปกนินทริยมูลกะในจบสัถินทริยมูลกะในสองร้อยแสิบแปนุสถินสีของบุคคลใดจะเกิดปัญญินรีมะนินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนินสียของบุคคลใดจะเกิดสัถินรียของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่สถินทริยมูลกะในจบ ปัญญินทริยมูลกะในสองอยแปดบ้อนุปัญินซีของบุคคลใดจะเกิดมณินรีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมยินรีของบุคคลใดจะเกิดปัญญินซีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญยินทริยมูลกะในจบอนุโลมโอกาสจกขุนทริยมูลกะในสองอยเอนุ จากขุนสีในภูมิใดจะเกิดโสตินรีในภูมินั uh ้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินศีในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีในภูมิใดจะเกิดคาเนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีจะเกิดแต่คาเนรีไม่ใช่จกเกิด ในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจะขุนสีจกเกิดและคาเนศีก็จะเกิดปฏิคาเนศีในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจกขุนสีในภูมิใดจกเกิดอิชินสีปุริสินศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจะขุนสีจกเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จกเกิด ในกามวจรภูมิในภูมินั้นจะขุนสีจกเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปฏิปุริสินศีในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจกขุนสีในภูมิใดจกเกิดชีวิตินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินรีในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีในภูมินั้นจะเกิดใช่ไหมวิ ในอาศ like ัยสัตว์ภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตจีนรีย์จกเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จกเกิดในปัญจโ Ав วการภูมิในภูมินั้นชีวิตจีนรีย์จกเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดอนุจากขุนศีในภูมิใดจกเกิดสมนัติรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนัติรียในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ อนุจากขุนสีในภูมิใดจะเกิดอุเบกินศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินศีในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นอุเบกินศีจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จกเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นอุเบกินศีจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดอนุ จากขุนศีในภูมิใดจกเกิดสัตทินรียปัญญรียม น, นมณีศีในภู ม, มินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปติมิณีศีในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นมนิณีศีจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภู ม, มิในภูมินั้นมนณีศีจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิด จะคุนทริยะมูลกะในจบขานินทริยะมูลกะในสองรอยเก้อนุขานินรียในภูมิใดจกเกิดเอตินจีบุริสินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิบุริสินรียในภูมิใดจกเกิดขานินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุขานินจียในภูมิใดจกเกิดชีวิตจินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิชีวิตินรียในภูมิใดจะเกิดคาเนนซียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่จะเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินซียจะเกิดและคาเนนทรียก็จะเกิดอนุคาเนนซียในภูมิใดจะเกิดสมนัติินซียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิสมและสินสีในภูมิใดจกเกิดคาินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมนะสินสีจกเกิดแต่คาินทรียไม่ใช่จกเกิดในกลามาวจรภูมิในภูมินั้นสมนะสินสีจกเกิดและคาินทรีก็จกเกิดอนุคาเนนรีย์ในภูมิใดจกเกิดอุเปขินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ ปฏิอุเปบกินรีในภูมิใดจกเกิดคาเนนรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปบกินรียจะเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่จกเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นอุเปบกินรียจกเกิดและคาเนนรียก็จะเกิดอนุคาเนนรียในภูมิใดจกเกิดสตินรีปัญยินทรีมนินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนิจในภูมิใดจกเกิดคลานินรีจในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินรียจจกเกิดแต่คลานินทรีจไม่ใช่จะเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นมนินรียจจกเกิดและคลานินทรีจก็จะเกิดคลานินทริยะมูลกะในจบอิทินทริยะมูลกะใน สองอยเก้าินุเอทินซีในภูมิใดจกเกิดปุริสินรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรียในภูมิใดจกเกิดเอทินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุเอทินรีในภูมิใดจกเกิดชีวิตินรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจกเกิด อิทธินีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีจะเกิดแต่อิถธินีไม่ใช่จกเกิดในกรมวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จกเกิดและอิทธินีก็จะเกิดอนุอิถธินีในภูมิใดจะเกิดสมณสินทรียีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปิสมณสินทรียในภูมิใดจกเกิด อิทินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสินสีจกเกิดแต่อิถินสีไม่ใช่จกเกิดในการมาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสินสีจกเกิดและอิถินสีก็จะเกิดอนุอิถินสีในภูมิใดจกเกิดอุเปขินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินสีในภูมิใดจกเกิด อิทธินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปขินรีจกเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่จกเกิดในกลามวจรภูมิในภูมินั้นอุเปขินรีจะเกิดและอิทธินรียก็จะเกิดอนุอิทธินรีในภูมิใดจกเกิดสะทินรีปัญญีนีมณินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปติ มนินรียในภูมิใดจกเกิดอิทินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรียจกเกิดแต่อิทินรีไม่ใช่จกเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินรียจกเกิดและอิทินรีก็จกเกิดอิทินทรียามูลกะในจบปุริสินทรียาโมลกะในสอง้เก้าสิบสาอนุ ปุริสินจีในภูมิใดจกเกิดชีวิตจินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตจินทรีย์ในภูมิใดจกเกิดปุริสินจีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตจินทรียจะเกิดแต่ปุริสินจีไม่ใช่จกเกิดในกลางาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตจินทรียจกเกิดและปุริสินจีก็จะเกิดอนุ ปุริสินสีในภูมิใดจะเกิดสมนัสสินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนัสสินสี <Bizim. Television. S 2> ในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสสินสีจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จกเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสสินสีจกเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดอนุ ปุริสินส be ีในภูมิใดจกเกิดอุเบกินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินรีในภูมิใดจกเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอารมปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปขินรีจกเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จกเกิดในกางาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปขินรีจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิด อนุปุริสินีในภูมิใดจกเกิดสัถินีปัญินรีมนินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรียในภูมิใดจกเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินรียจกเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่จกเกิดในก er ามวจรภูมิในภูมินั้น มนินซีจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดปุริสินทรียะมูลกะในจบชีวิตินทรียามูลกะในสองอเก้าสิบสี่อนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจกเกิดสมณสินซีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จกเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จกเกิดในจัตุวการภูมิและปัญจวะการภูมิในภูมินั้น ชีวิตินทรียีจกเกิดและสมณสินทรียีก็จกเกิดปฏิสมณสินทรียีในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรียีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ใชอนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจกเกิดอุเปกินทร์สีสัททินทร์สีปัญญทร์สีมณีทร์สีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญยสัตตภูมิในภูมินัน้นชีวิตินทรียีจกเกิดแต่มณีทร์สีไม่ใช่จกเกิด ให้จัตุวะการภูมิและปัญจวการภูมิในภูมินั้นชีวิตอินทรีย์จกเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิมนินทรีย์ในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทรียามูลกะในจบสมณสินทรียามูลกะใ น, อนสองร้อาสิบห้าอนุสมณสินทรีในภูมิใดจกเกิดโอเปขินทรีสตินทรีย ปัญญินร <bonito> ียมนินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีในภูมิใดจกเกิดสมณสินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่สมณสินทรียม <that> ูลกะในจบโอเปคินทรียมูลกะในสองร้อยเอนุอเปขินรีในภูมิใดจกเกิดสะทินรีปัญญินรียมนินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนณีสีในภูมิใดจกเกิดอุเปกขินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อุเปกขินทรียะมูลกะในจบสัสตทินทรียะมูลกะในสองอนุสัตทินรีในภูมิใดจกเกิดปัญญรียมนณีสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปติมนณีสีในภูมิใดจกเกิด สถินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่สถินทริยมูลกะในจบปัญญินทริยมูลกะในสองอนุปัญญินรียในภูมิใดจกเกิดมณินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินจียในภูมิใดจกเกิดปัญญินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยมูลกะในจบ